ผมจะเข้าใจว่าคือเาราเห็นอาการเกิดดับของรูปอ้ามรือเปล่าครับใช่ไหมพ่วยเห็นปวดเมื่อยแล้วหายไปในระดับร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นการเกิดดับระดับสมมุติเป็นสัญญาคือหมายเขาว่าการเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้จิตมันกลับมาได้ง่ายเมื่อจิตของเรากลับมาเห็นไอการปวดเมื่อยเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋สลับจับเปลี่ยนคือให้ตามรู้การปวดเมื่อยระดับสัญญานี้บ่อยๆ แล้ในที่สุดแล้วพอจิตของเรามาอยู่ตรงนี้คุ้นมากเข้ามาเข้ามันก็จะเห็นระดับการเกิดดับสมมุติในระดับสัญญาเส้นการปวดเมื่อแล้วก็ดับไปแม้เห็นการเคลื่อนกันไหวมันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันระดับกายใช่ไหมระดับเวทนาเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นเจ็บเห็นแสบเห็นคันมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นการเห็นการเกิดดับระดับสัญญาต่อไปเมื่อความคิด มันเกิดเราเห็นมันเกิดแล้วความคิดนั้นหายไปแล้วก็เห็นดับไปความเกิดดับลักษณะนี้ก็เห็นการเกิดดับแลดับสังขา ร, รแล้วต่อไปเราอารมณ์เมื่อกี้มันดีอ่าเดี๋ยวนี้อารมณ์สดใสสดชื่นแล้ว เ, เห็นอารมณ์ดีดับไปเห็นอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาเห็นอารมณ์ดีเกิดขึ้นแล้วเห็นอารมณ์ดีนั้นดับไปแล้วกว่าเห็นการเกิดดับระดับอารมณ์ระดับปัญญาถามว่า เป็นการเกิดดับที่เป็นปรมัตหรือยังยังไม่เป็นเพราะมันอยู่ในระดับสัญญาส่วนการเกิดดับที่เป็นปรมัตดนั้นมันจะมีเพียงครั้งเดียวเหมือนท่านเปรียบเส ม, มือนว่าไก่ที่มันไขน่มันไข่ได้หลายลูกนะแล้วไข่ได้หลายครั้งแต่ลูกไก่ที่มันออกจากไข่มันออกได้เพียงครั้งเดียวมันจะไม่กลับเป็นไก่อีกนะแต่ว่าไข่นั้นออกมากี่ครั้งก็ได้แต่ไข่ ไก่เที่ยมันจะไข่เปียกเสมือนการเกิดดับประมาิเหมือนไก่เที่ยวมันจะไข่แต่การเห็นะระดับการเกิดดับะระดับสัญญาเนี่ยเห็นได้เรื่องสั่งสมไปเรื่อยนะแล้ววันหนึ่งมันก็มากพอมันก็จะทำให้ไก่คือตัวรู้จริงไง น, นะคือตัววิชาหรือตัวประมาิก็ปรากฏนั่นเขาเรียกว่าเป็นระดับปัญญาคือเห็นการเกิดดับแบบเหมือนกับไฟเหมือนฟ้าแลบนะมันสว่างมากแวบ เดี๋ยวนี้สว่างไปทั่วก็หายสงสัยเลยแล้วมันก็จะไม่เกิดอีกคือถ้าอย่างนั้นก็ทําอย่างนี้ต่อไปก็ใช่สั่งสมตัวนี้ไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เรายัางไม่เบื่อนะถ้าเราเบื่อซะก่อนมันก็นก็จบแค่นั้นนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ <c oughs> ถ้าเอาว่าขันติ <c oughs> ไม่พอความอดทนไม่พอนะ <c oughs> มันก็จะไปเลิกในตอนใดตอนหนึ่งตรง น, นี้ก็วัดกันที่ขันติบารามนะีความอดทนแล้วก็ตัวปัญญา เห็นถึงประโยชน์และอา น, นิสงส์ทราบถึงอ น, นิสงส์ของการที่จิตที่กับเข้ามาสู่ตัวเองนะมีความสบายระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเอามั น, มนจิตกับกายของเรา ม, มาอยู่มหากกาีจนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะสบายขนาดไห น, นแล้วพยายามตอกย้ำความรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปั๊บมันเกิดการคล็กขึ้นมามันก็แยกกันโดยท้าววรในความแยกกันโดยเขาเช้ๆว่าโคตรภูยานคื อ, อ กิเลสไอ้โคดของกิเลสก็จะแยกออกจากโคดของณตัวตัวธรรมะละก็แยกกันไปก็ไม่เคยกลับมาหากันเมื่อก่อนมันก็จะเบียดเบียดกันไปเปรียบเทียบกันมาระหว่างปุสุนและปุสุนี่นะมันแค่เห็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละดังนั้นเบื้องต้นที่สุดให้เห็นการเกิดดับของรูปนามก่อนระหว่างกายกับความรู้สึกทางกายเช่นเห็นกายเห็นความรู้สึกทางกายแยกจากความรู้สึกว่าความ สบายหรือไม่สบายเห็นระดับนี้กว่าถ้าเรายังไม่มาเจริญสติเราก็จะเห็นว่าความสบายกับไม่สบายกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันเวลารู้สึกสบายเราก็ชอบด้วยความรู้สึกไม่สบายเราก็ไม่ชอบนี่อยางไม่แยกนะเรามาจเจริญสติขั้นนี้มากขึ้นมากขึ้นเห็นความรู้สึกชอบเราไม่เห็นความรู้สึกเราไม่เห็นความรู้สึกชอบอีกทีหนึ่งเราไม่เข้าไปในความชอบใจตัวนั้น เมื่อเกิดความไม่พอใจเราก็เห็นความรู้สึกไม่พอใจเราไม่เข้าไปในความไม่พอใจอันนั้นนี่เรียกว่าเห็นการเกิดดับรูปนามในระดับรูปนามมันจะแยกความรู้สึกสองอย่างนี้ออกกันได้ก่อนถ้าเห็นระดับนี้ไปเรื่อยๆพอเห็นเรื่องนี้ชัดขึ้นชัดขึ้ น, นระดับเวทยาาสัญญาสังขารเนี่ยเพื่อหเห็นของมันเองแต่จะเป็นเมื่อไหร่นีขึ้นอยู่กับความเพียรและปัญญาของเราเข้าใจนะครับโอเค อ้าวผู้ใดที่คิดว่าน่าจะสงสัยข้องใจในเรื่องเหล่านี้ว่ามันเป็นยังไงผมอตอบได้ทุกเรื่องในเรื่องพวกนี้นะพ่ออะไรพ่อมันเห็นมาเอาเชิญข้างหลังพิจาราธรรมอารมณ์คือคมารมมาถึงธรรมานุปัสสนานะอ้าวถามทีพิจารณาในธรรมนี้จะพิจารณาประมาณไหนจาคะพิจารณาธรรมในธรรมใช่ไหม้ค <Gothic engine. S 1> ่ะทีนี้ เราไปเนื่อเกี่ยวกับเนื้อกายเวทนาจิตและธรรมเพราะว่าธรรมรมพิจารณาธรรมในธรรมหมายถึงว่าตัวสภาวะระหว่างมันมีคําว่าอาจธรรมอยู่ด้วยนะ<ม>ในส่วนไหนที่มันเป็นธรรมหมายความตัวนั้นมันลงตัวไม่ปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงคือความรู้สึกส่วนหนึ่งต่างหากพิจารณาธรรมในธรรมเขาเพิ่รู้สึกล้วนๆว่ามีอยู่แล้วอีกอย่างความรู้สึกที่มันปรุงแต่งไปกับกายกับจิตนั้นก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่ง ใช่ไหมตัวรู้มีอยู่แล้วตลเวลาแต่ตัวรู้ซื่อๆเฉยๆตัวรู้ที่มันไม่ปรุงไม่แต่งเนี่ยมีอยู่กับเราแล้วตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เรานี่ถูกตัวรู้ปรุงแต่งคือตัวคิดไม่คิดเนี่ยดึงไปนะตัวคิดดึงไปอันนั้นเป็นอาธรรมคือสังขารนะฮะแต่ใจตัววิสังขารมีอยู่ตัววิสังขารคือเป็นตัวธรรมตัวไม่ปรุงแต่งมีอยู่ในขณะนี้เราเห็นอาการ ร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งบางคนก็เห็นเป็นอาการเฉยๆไม่เข้าไปในความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็ง น, นั้นการที่จิตของเราเป็นผู้ดูนั่นแหละก็เรยเห็นธรรมในธรรมพิจารณาธรรมในธรรมคือพิจารณาตัวที่มันไม่ปรุงนั่นแหละเป็นตัวธรรมเรวยกอสังคตตาธรรมแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงกับอาการนั้นเขาเรียกว่าเรามีธรรมอยู่แต่เราก็มองไม่เห็นเพราะเราเข้าไปในตัวตัวแต่งเสีแล้ว อ๋อถ้าใจรักถ้าเราเข้าไปในใจรักนั่นแหละเราเข้าไปในการปรุงแต่งแล้วแต่เราเห็นใจรักใจรักรวมเหลือ2คือความสบายและไม่สบายความพอใจไม่พอใจเป็นใจรักแล้วใช่ไหมแต่เราเห็นความพอใจแยกออกจากใจเห็นความไม่พอใจแยกจากใจมันมีอยู่ความไม่พอใจมีอยู่แต่เราเห็นมันแต่เราไม่เข้าไปในความไม่พอใจนั้นนี่เราเห็นธรรมในธรรมใช่ไหมเพราะนั้นก็เวลามีอะไรกระทบปั๊บจับความรู้สึกให้ชัดไว้ก่อน อย่าพิ่งเข้าไปในความรู้สึกนั้นแต่ความพอใจไม่พอใจมีอยู่แต่เราเห็นไม่อยู่สักพักหึงมันก็ดับนี่เรียกวการพิจารณาเห็นธรรมเลรทำเข้าใจนะออะต่อไปหมดปัญหาสแสดงว่าวันนี้บรรูุหมดแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตเดี๋กำนกางเตียงพ่อเคยอยู่สองครั้งที่ ช่วงระหว่างที่ยืนแต่งฟันน่ะจ้าค่ะอืมมันเหมือนมีช่องว่างไม่มีอะไรเข้ามาเลยแค่หนึงวินาทีหนึ่งสภาวะนั้นมันเกิดจากที่เราไม่ได้ไปปรุงแต่งแต่ว่ามันเห็นสภาวะที่มันดีเฉยมันก็จะแปลว่าปแปลงอะค่ะอแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับช่วงที่เราจะเดินน้ําค่ะก็รู้สึกยกเห็นว่ายกไปยกแก้วขึ้นมาแล้วก็เดิน แต่โชคแล้วมันจะว่างๆไม่มีอะไรเข้ามากระทบอะไรอืการเรียนของพ่อว่าสภาวะนี้คือความจริงการเห็นสภาวะว่างๆซึ่งมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าบางครั้งมันแวบขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจรู้นะดูเหมือนแปลกแต่ความจริงถ้าเราตั้งใจรู้ทุกครั้งมันก็จะมีทุกครั้งแต่การที่เราไปรู้โดยที่ไม่ตั้งใจรู้เนะี่ยมันมันห่างเกินไปถ้าทางที่ดีแล้วทุกครั้งที่จะแปลงฟันสารวจเลยจะแปลงอย่างไรนะ ซึ่งสามารถทำได้ทุกครั้งแต่เนื่องจากว่าเราขาดเจตนาขาดความตั้งใจแต่บางครั้งในจิตของเรากับการเห็ น, นมันมันมีอยู่แต่ว่านานๆานครั้งใช่ไหมลักษณะนี้มันกำลังมันไม่พอแต่จะให้กำลังมันพอต้องเห็นบ่อยๆจะดื่มน้ำแต่ละครั้งจะดื่มอะไรแต่ละครั้งตั้งใจจับใช่มมันก็เห็นละเห็นมือของเราไปจับแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งใจมาพออยู่น้ำปับ๊บมันก็จับน้ามาดื่มเลยใช่ ตัวเห็นมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราตั้งสติซะกอ่อนทุกครั้งที่แย่ในกาตั้งสติแล้วมันก็จะเห็นทันทีลักษณะนี้พระพุทธเจ้าบอกท่านบอกว่าในที่เราสวดวิธีว่า อ, าอะไรสัท ธ, ธนันจะสีรันจะภาษาทางธรมรมทัศนังอนุยงเชทเมทวีสรังพุทธานาซ า, าสนังเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่พึงพ่อคูยศรัทธาความเรื่มใส่สีรันจะภาษาทางศีล ความเรื่อใสและความเห็นธรรมให้หนึ่งเตืองคือการเห็นธรรมสามารถเห็นได้บ่อยๆแต่ว่าต้องพยายามทำด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นผู้มีผู้มีปัญญาพึงพ่อคุณศรัทธาศีลและความเรื่องใสและการเห็นธรรมศรัทธาศีลแล้วก็ปัสสาธะแล้วก็ธรรมทัศนาสีอย่างเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกันมันทำให้เกิดปัญญา จากนั้นการทำตั้งใจทำ ท, ทุกครั้งปัญญาเกิดทุกครั้ง4ี่อย่างเนี่ยมันจะเกิดทุกครั้งที่เราตั้งสติตั้งให้รู้ตัวกายที่เราเคลื่อนไหวและรู้ตัวใจที่กําลังจะจับแต่เรา90 90% เนี่ยพอจะทําอะไรปั๊บสมมุติว่าจะจับตัวนี้ใจมันไปอยู่ตัวนี้ก่อน90ใช่ไหมแต่ถ้าหาเรามาฝึกฝ น, เ, นเราต้องจิตตั้งจิตเน้าสอยู่ที่มือแล้วก็จับอันนี้แค่สิพอ มาสวิตกับข้างกันแต่เมื่อก่อนที่เราไม่ได้ฝึกฝนนี้เราต้องการสินี้ใจเ้าสิบเปอร์ซนนี้แค่สิบเปอร์เซ็นแต่พอเข้าใจสินี้กลับมานเก้าสิบเอร์ซแค่สิบปอเซ็ตอยู่กับตัวนี้การเห็นทำก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งฝึกได้นะแต่ว่าที่แล้วมามันเห็นเป็นมาครั้งมันน้อยไปอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมพ่อเข้บอกให้ฟลยมนี่คือทุกครั้งที่จั ก, ก็จะเห็นสภาวะค่ะแต่ว่าสภาวะที่เห็นไปนเห็นอีกทีอ่ะ มันมันมันโล่งโล่มันไม่มีอะไรเข้ามาแล้วจิตเนะี่ยมันไม่ได้ไปไปไปไปมีอะไรเข้ามากระทบกับตรงจุดนั้นเลยค่ะใช่ตัวนั้นนานๆมาเห็นครั้งนะใช่ค่ะนานเห็นคลั้งเห็นนกกระเชัดเจนแต่ถ้าเราตั้งใจเห็นเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันสามารถทําได้ยาวนานเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นเองนะขอให้เห็นประเภทนั้นเห็นด้วยวิปัสนาแต่เห็นนานๆ ม, มาลงปร่งคลั่งก็จะเห็นด้วยสมถะ คือว่าเห็นบางครั้งบางคราวแต่เห็นวิปสัสนานี้ถ้าเมื่อใดเราตั้งสี่ตั้งสมาธิขึ้นมาเราเห็นได้ทุกครั้งแต่ประการสําคัญว่าเราจะฝึกเรื่องนี้บ่อยขนาดไหนถ้าฝึกเรื่องนี้ไม่บ่อยไอ้ความคุ้นชินมันก็ไม่ไม่พอใช่ไหมเมื่อฝึกเรื่องนี้บ่อยความคุ้นชินพอเมื่อคนนึกได้ทุกครั้งในการที่เรายิยบจับฉวยจะลุกจะอะไรต่างการสังเกตความหนักความเบาการสังเกตเย็ยนร้นอนอ่อนแข็งแข็งตือสังเกตความคิดไม่คิดเนี่ยเราเห็นได้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าเราฝึกกันห่างห่างมากมากเลย เพราะไอ้ตัวที่จะมาเห็นในขณะที่จะทําเนี่ยมันไม่ทันความเคยชินมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี่ไปก็คงจะพ่อคุณให้เห็นเรื่ อ, อยๆนะอ่าแล้วมันก็จะได้สั้นขึ้นทีจะเรียนถามเหมืนพอ่อเรื่องก็คือบางครั้งก็จะไปรู้สึกว่าเราเยือบางครั้งก็รู้สึกหยุดขันเร่งเวลาขับรถก็จะรู้สึกว่าบางทีตรงนี้ตึงๆไปอืม แล้วบาทีก็ไปดูรู้สึกลมหนใจอย่างนี้ค่ะอันนี้อ่าขอความรู้จากหลวงพ่อว่าที่ ท, ที่ที่รู้อยู่ตรงนี้ะอะขนาพอมันเป็นยังไง Your โย้คุ้ยชิ s n o คร l e อ r คือคืออย่างเร า, อ, อ, ยาอย่างยังยกยกช้อนประทานข้าวนี่ก็จะรู้ว่าใส่ปากไป หรือบางครั้งดื่มน้ำเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเรากำลังดื่มน้ำอยู่คืออันไอ้ที่มั น, น, นมันเป็นการรู้ว่าอันนี้คือตั้งใจรู้ไงตั้งใจรู้มันรู้ได้ทุกครั้งนะแต่ประการสําคัญในขั้นตั้ ง, ต, งตั้งใจรู้อย่างนี้มันมีบ่อยขนไหนขึ้นอยู่กับความคุ้นชินของเราที่เราฝึกตัวเนี้ยช่วงไหนที่เราจเจริญสติบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ได้เร็วใช่ไหมในการเห็นอาการพอเราทิ้งการฝึกฝนไปนานมันรู้บ้างไม่รู้บา้บา ง, งก็ลืมไปเลยช่องว่างความเคยชินก็เข้าบ่อยๆเพราะนั้นอันนีต้ต้องต้องพยายามฝึก แล conte, alive, ้วก็ถ э so so ้าเราเข้าใจจริงๆนะการฝึกก็แม้จะไม่มีเวลามานั่งทำอย่างนี้ในชีวิตประวันเรามีเยอะแยะไปการเคลื่อนไหวเรามีอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ใส่ใจใส่เจตนาลงไปกับการกระทำอย่างนั้นมันก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างนี้กับการไปทํางานก็ไม่ต่างกันถ้าเราใส่กําลังสติสมเข้าไปในอัตราส่วนเท่าๆกันใช่ไหมเราก็จะบอกไม่มีเวลาเลยหลวงพ่อไม่ได้ปฏิบัติคุณมีเวลาเคลื่อนไหวไหมเรา มีแล้วทำไมไม่ใส่ใจลงไปตรงนั้นนั่นและสิท่นวันเพราะเราไม่ใส่ใจลงไปโอเคท่านผู้อื่นเชิญพ่อคือพอดีตอนนีู้่ทำงานที่มันใช้ความคิดเยอะมากเลยอะทุกวันเลยก็แบบทุกวันเลยค่ะจะมีสุขออกลับบ้านต้องเหนื่ยมดแรงต้องรีบนอนอะไรนะคะับคือ มันงานเบาๆความรับผิดชอบน้อยๆเพื่อยี่จะมีการเพื่อว่ารู้สึกตัวได้มากขึ้นแต่ละวันงานที่อาจจะไม่ต้องใช้สมองมากมีการวันระบบพร้อมคำนี้นะก็ความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักบริหารร่างกายนะคุณจะทํางานหนักขนาไหนหลวพ่อทำงานตลอดมาตั้งปีนี้หพมัได้พักเลยนะแต่หลวพ่อทำงานได้เข้มแข็งมาเดียวช่วงเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณต้องฝึกกระดอบร่างกายอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่ง การดื่มน้ําอุน่นการท า, านอาหารที่มันไม่หนักอะไรพวกนี้บริหารได้ทุกวันโดยเฉพาะไปเปิดคําว่าอะไฟท์ที่เบสเทียนไลท์ดูนะแล้วก็ทําตามนั้นทุกวันคือการออกกำลังกายแบบแบบของที่เบสห้าท่าแค่ห้าท่าง่ายๆนะแต่ว่ามีพลังมากเดอะไฟท์ที่เบสเทียนไลท ไฟแปลว่าห้าเองนะที่เบทันที่เบทันแล้วก็ไร ITE, ร์ไอทีไรแปลว่าวิธีกา ร, ราวิธีการขึ้นไปก็เปิดก็ตามนั้นนะทุกวันก็ทําทุกวันเพราะว่าประยุกต์เอาหายใจเข้าหายใจออกเข้าด้วยแต่กําลังเมื่อก่อนเนี่ยทำแบบวิญญาณสโยคะแต่มันหนักไปเนาะอาจจะโดยไฟที่เบทที่ไรนี่เบาแต่ก็สบายคุณต้องดูแลร่างกายออกกําลังกายทานอาหารที่เป็น เอ่อมีคุณภาพอยากินอาหารประเภท mm hmm. เยอะเกินไปอะไรเนงะทานน้าอุ่นบ่อยๆกว่ากรปฏิ hmm. บัติทำแนวเคลื่อนไหวหรือการรู้สึกตัวนี่อาจจะเอ่อถ้าถ้ากับงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆนี่มันอาจจะทําให้ลืมลืมความรู้สึกตัวได้ง่ายมากเนื่องจากว่าร่างกายของเราไม่เข้มแข็งเนี่ยมันจะรับสึกด้านการใช้ความคิดสูงไม่ได้นะอย่างรถของคุณนะเป็นรถเก่งถ้าบรทุกหนักอะไรเงี mm ้ย hmm. มันไม่ใช่ร้อสิบลอ้อนะคุณเป็นทันทุกแบบร้อสิบลอ้อเลยอ่า<ม>ต้องขยายโครงสร้างก็คือมันออกลังกายแล้วก็โดยเฉพาะโยคนะเนีย่ยใหญ่ให้ทำทุกคนนะเป็นการเมนเทรนร่างกายได้ดีมากนะนะต้องดูแลทั้งสองส่วนก็อินซีลูกก็อินซีนามอินซีลูกก็ต้องเข้มแข็งอินซีนามก็ต้องเข้มแข็งแต่ทุกวันนีเ้เกี่ยวกับเรื่องของการออกลังกายมีเยอะเนาะถ้าใส่ใจเนี่ย เปิดไปยูทูบเราคุยจะเอาเสาร์ไหาค้างกันทั้งวันก็ไม่จบเลยน ะ, ะหลายๆโยคะหลายๆตระกูลน ะ, นะลองๆไปฝึกให้ร่า ง, งกายเข้มแข็งเลยมันก็จะได้ทําให้ความรู้สึกตัวเจ็บปีอ่าความรู้สึกตัวก็เข้มแข็งขึ้นระบบลมหายใจเป็นไงระบบเอกชีเยนเข้าไปในะร่างกายพอไหมโดยเฉพาะการหายใจเคยสนใจมันม้นหรือเ่าหายใจสั้นทําให้ออกซิเย็นเข้าน้อยเลือดที่เรากินอะไรเข้าไปเลือดมันไม่บริสุทธิ์ทําให้ร่างกายนี่อ่อนแอ ถ้าหายใจลงไปเยอะลึกๆแต่แต่ละวันเนี่ยมาทำให้เอาซิ่งเข้สู่ร่างกายเยอะมันถ้าไปเปลี่ยนเลือดเสียเป็นเลือดดีได้มากเลือดดีก็ไปทร่างกายเราเข้มแข็งแน่เราไปดูแลเรื่องลมปราณด้วยนะโอ้สนุกในการที่จะใช้ชีวิตแบบมีสติแบบนี้นะคือปรับในขณะที่ออกกาลังกายแล้วก็จเจริญสติแบบหมดทั้งกายทั้งเวทนานะแล้วเราเจ็บเราปวดเนี่ยเรา เจ็บซะก่อนเจ็บปวดซะก่อนปวดยากให้มันปวดโด ย, ดโดยที่ไม่รู้แต่กา ร, ราออกกําลังกายนะั้นมันเจ็บมันปวดใช่ไหมมันเป็นการเจ็บปวดแบบสมัครใจแล้วเราจะไม่พบกับการเจ็บปวดแบบไม่สมัครใจหมืยคของเราจะไม่เจ็บปว่วยแต่เรายอมเจ็บตัวใช่ไหม <c oughs> ง่ายๆ ย, ยอมเจ็บตั่นโยคะยิ่ยเจ็บ ย, ย, ยิ่งปวดยิ่งยิ่งจะเห็นเวทนาได้ดีใช่ไหมเราจะไปครัวเวทนาแบบนั้นนะไปไปทำร่างกายให้เข้มแข็ง รูด้วยนะตนัวลงมีอันอื่นไหมไม่มีเนาะไม่มีก็คุณเอกชัยมีอะไรจะแจ้งสมาชิกทราบไหมก่อนที่จะโพสโปรแกรมขอเชิญเลย